าสีขวความรักสงบของเจ้าชายฮีบีน้ำเมืองฮาบีบี B, กัะสัดโฮบี B, ผู้ทรงชราภาพมากแล้วกำลังกลุ้มพระไทยในเรื่องที่ว่าเมื่อพระองค์สละราชสมบัติแล้วจะให้พระโอรสองใดขึ้นครองราชสมบัติต่อจากพระองค์ระหว่างเจ้าชายฮูบีพระโอรสองโตผู้มีจิตใจฮึกเหิมและฝักใฝ่ความยิ่งใหญ่ เจ้าชายฮีบีพระโอรสองค์เล็กผู้มีจิตใจอ่อนโยและรักสงบในพระไัยของกษัตริย์โฮบีนั้นทรงเอ็นเอียงไปทางพระโอรสองค์เล็กมากกว่าเนื่องจากทรงเห็นว่าอุปนิสัยอ่อนโยและรักสงบของเจ้าชายฮีบีจะทาให้บ้านเมืองพบกับความสุขสงบ ประชาชนไม่ต้องทนทุกข์กับภัยสงครามผิดกับเจ้าชายฮูบีผู้ทรงรักการก่อสงครามเป็นชีวิตจิตใจยอย่างไรก็ตามเหล่าเสนาอำมาตย์หาได้มีความนึกคิดอย่างกาษัตริย์โฮบีไม่บรรดาเสนาอำมาตย์ส่วนใหญ่กลับนิยมชมชอบในความฮึกเหิมของเจ้าชายฮูบี เนื่องจากเห็นว่าเจ้าชายฮูบีจะสามารถขยายอาณาเขตของบ้านเมืองและสร้างความเจริญได้มากกว่าเจ้าชายฮีบีผู้รักสงบและพอใจในสิ่งที่พระองค์มีอยู่เสมอหลายคนถึงกับแอบพูดคุยกันลับหลังว่าความรักสงบของเจ้าชายฮีบีนั้นแท้จริงน่าจะเป็นเพราะความขี้ขลาดซะมากกว่า สุดท้ายแล้วเมื่อเสียงสนับสนุนแตกออกเป็นสองฝ่ายกษัตริย์โฮบีจึงตัดสินพระไทยแบ่งเมืองของพระองค์ออกเป็นสองเมืองแล้วมอบเมืองให้พระโอรสองค์ละเมืองโดยให้พระโอรสทั้งสองทดลองเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองของตนเองเป็นเวลาสามเดือนให้เจ้าทั้งสองปกครองบ้านเมืองของตน ตามที่ต้องการเมื่อครบเวลาสามเดือนแล้วเราจะมาตัดสินกันโดยดูที่ประชากรเมืองใดประชากรมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าถือว่ากษัตริย์แห่งเมืองนั้นมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกษัตริย์แห่งฮาบีบีต่อจากเราสืบไปกษัตริย์โฮบีจัดแก่เจ้าชายทั้งสองและเหล่าเสนาห ม, มา เมืองฮาบีบี ee, ถูกแบ่งออกเป็นสองเมืองทันทีเจ้าชายฮูบีพระอรสองโตทรงรับสั่งว่าเมืองของเราจะเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่อลังการความหรูหราทั้งมวลจะปรากฏในเมืองนี้และเราจะก่อสงครามเพื่อประกาศชื่อเสียงแห่งเมืองเราและขยายอาณาเขตของประเทศของเราให้กว้างไกลไปทั่วแผ่นดิน แล้วเจ้าชายฮูบีก็หมกมุ่นอยู่กับการสร้างเมืองของพระองค์ให้ใหญ่โตโออาด้วยการเก็บภาษีอากรจากประชาชนเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นยังหมั่นเตรียมทัพออกไปทำศึกสงครามเพื่อขยายอาณาเขตอย่างไม่ขาดระยะส่วนเจ้าชายฮีบีพระโอรสองค์เล็กนั้นไม่ได้ทรงหมายมั่นว่าจะต้องได้ราชสมบัติแต่อย่างใด พระองค์เพียงต้องการปกครองบ้านเมืองที่ได้รับมอบหมายจากพระบิดาให้ดีที่สุดเท่านั้นจึงทรงรับสั่งว่าเราจะปกครองบ้านเมืองโดยคุณธรรมในตัวของเราเองขอให้ทุกคนดําเนินชีวิตของตนไปดังเช่นเก่าก่อนด้วยความสุขสงบแล้วค่อยๆพัฒนาบ้านเมืองของเราไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงแล้วเจ้าชาฮีบีก็ปกครองบ้านเมืองของพระองค์ด้วยวิถีแห่งธรรมะ ไม่มีการสร้างเมืองใหม่หรือสรรหาความหรูหราใดๆมาไว้ในเมืองของพระองค์แต่อย่างใดและเมื่อเรื่องนี้ล่วงรู้ไปถึงเจ้าชายฮูบีพระเชษฐาก็ทำให้พระองค์ถึงกับทรงพระสวนลั่นพร้อมกับตัดว่าน้องชายของข้าคงจะขี้ขาดตาขาวเหลือขนานับจนถึงเวลานี้แล้ว กับไม่คิดทำสิ่งใดให้บ้านเมืองตนจเจริญรุ่งเรืองขึ้นแต่อย่างใดเห็นทีว่าไม่ต้องรอให้ครบสามเดือนก็คงรู้ผลแพ้ชนะแล้วกระมังสมเดือนผ่านไปถึงเวลาตัดสินตำแหน่งกษัตริย์ทุกคนมาพร้อมกันหน้าลานประชุมหน้าพระราชวังเพื่อฟังผลการตัดสินจากกษัตริย์โฮบีฝ่ายเจ้าชายฮูบีนั้นทรงกยิมพระทัยว่า ตำแหน่งกษัตริย์ต้องตกเป็นของพระองค์อย่างแน่แท้ส่วนเจ้าชายฮีบีทรงวางเฉยมิได้แสดงพระอาการใดๆออกมาถึงเวลาประกาศตำแหน่งกษัตริย์องค์ใหม่แห่งเมืองฮาบีบีแล้วกษัตริย์โฮบีทรงประกาศด้วยพระสุรเสียงที่ดังก้องไปทั่วบริเวณประชาชนต่างพากันโห่ร้องอย่างกึกก้อง จากที่ได้มอบหมายให้โอรสทั้งสองของข้าทดลองปกครองบ้านเมืองบัดนี้ข้าแน่ใจเป็นแน่แท้แล้วว่าตำแหน่งกษัตริย์องค์ใหม่แห่งฮาบีบีสมควรจะตกเป็นของเจ้าชายฮูบีทรงปลายสายพระเนตรไปทางเจ้าชายฮีบีอย่างผู้มีชยัยในขณะที่เจ้าชายฮีบียังทรงวางเฉยเช่นเดิม โอรสองค์เล็กของข้าผู้ดำรงไว้ด้วยความอ่อนโยนและรักสงบเจ้าชายฮิบีเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีจากผู้สนับสนุนเจ้าชายฮีบีดังกึกก้องไปทั่วทิศแม้แต่บรรดาเสนาอามาตย์ที่เคยให้การสนับสนุนเจ้าชายฮิบีต่างก็พากันโห่ร้องแสดงความยินดีกับเจ้าชายฮีบีด้วยสเสด็จพ่อ เจ้าชายหูบีตะโกนขึ้นท่ามกลางเสียงโ่ o ร้องทรงไร้ความเป็นธรรมยิ่งนักแค่ทอดพระเนรก็ทำให้พระองค์ทรงเห็นแล้วมิใช่รู้ว่าบ้านเมืองที่ปกครองโดยลูกนั้นเจริญรุ่งเรืองกว่าของน้องเป็นไหนไหนหูบีลูกรักเจ้ารู้ได้อย่างไรเล่าว่าบ้านเมืองของเจ้านั้นเจริญกว่าของน้องชายเจ้าก็ฝันโฮบีตรัสถาม ในเวลาเพียงแค่สามเดือนที่เสด็จพ่อทรงกําหนดบ้านเมืองของลูกได้ขยายอนาเขตออกไปกว้างไกลนักในขณะที่บ้านเมืองของน้องยังมีอนาเขตเท่าเดิมเจ้าชายฮุบีตรัสต่อแล้วความสุขของมวลชนในบ้านเมืองของเจ้าเหราลูกสร้างบ้านเมืองของลูกอย่างใหญ่โตโออานี่เองคือความสุขของประชาชนที่อยู่ในบ้านเมืองของลูก ลูกแจกจ่ายเครื่องแต่งกายที่แสนจะหรูหราให้แก่พวกเขานี่เองคือความสุขของประชาชนใต้การปกครองของลูกเหล่านี้อย่างไรเล่าคือความสุขที่ลูกได้มอบให้แก่ประชาชนทั่วแผ่นดินของลูกกริย์โฮบีทอดพระเนตรพระโอรสองโตด้วยแววตาแห่งความเศร้าส้อยพร้อมกับตัดว่าโฮบีเอ๋ยแม้เจ้าจะเป็นนักรบผู้เ ก, กไก แต่เจ้าหามีคุณสมบัติในการคลองใจมวลชนไม่ความหรูหราฟู่ฟ้าที่เจ้ามอบให้แก่พวกเขาและคิดว่านั่นคือความสุขนั้นเป็นสิ่งที่เจ้าคิดไปเองทั้งนั้นฮูบีลูกรักการตัดสินตำแหน่งกษัตริย์ของพ่อมิได้วัดจากบ้านเมืองใดเจริญกว่าของใครแต่พ่อวัดความสุขจากรอยยิ้มของประชาชน เจ้าให้ความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุแก่ไพ่ฟ้าของเจ้าแต่กับฐานความสุขทางจิตใจของพวกเขาไปจนสิ้นเจ้าเก็บภาษีอากรจากหยาดเหงื่อของชาวบ้านเพื่อมาสร้างบ้านเมืองอันแสนวิจิตรกวาดต้อนบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวไปกรลังศึกสงครามจนเกิดลูกกำพร้าไปทั่วแผ่นดินพูดได้ว่า ในสามเดือนที่ผ่านมานี้ประชาชนของเจ้าไม่รู้จักการยิ้มเสียแล้วละฮูบีเอ๋ยดังนี้แล้วลองหันมองไปยังเมืองของน้องชายเจ้าซิลูปลพยฟ้าในความปกครองของฮีบีมีแต่รอยยิ้มและความผ่องแพ้วในจิตใจพอเชื่อว่าความสุขในใจซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุด ข, ของมนุษย์ จกทำให้บ้านเมืองของฮีบีค่อยๆเจริญรุ่งเรืองไปในทางที่ดีและเหมาะสมกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากที่สุดแต่เสด็จพ่อเจ้าชายฮูบีคารฮีบีนั้นขี้ขาดเกินกว่าจะเป็นกษัตริย์ได้ฮีบีน้องชายข้าไม่ชอบการออกศึกไม่เคยแม้แต่จะจัดดาบอย่างนั้นแล้วเมื่อมีภัยอันตรายมาสู่บ้านเมือง จะ ก, กล้าเอาชีวิตมาปกป้องประชาชนกระนั้นหรือตอนนั้นเองจูจูก็มีนกยักษ์ตัวหนึ่งบินโฉบเข้ามาเหนือศีรษะของเหล่าประชาชนที่ชุมนุมอยู่หน้าลานพระราชวังสร้างความแตกตื่นให้แก่ประชาชนณที่นั้นเป็นอย่างมากและทันใดนั้นเองหญิงชาวบ้านคนหนึ่งก็หวีดร้องขึ้นอย่างตกใจว่า ช่วยด้วยเจ้าค่ะบุตรชายวัยวทารกของข้าถูกเจ้านกยักษ์จับตัวไปแล้วช่วยด้วยเจ้าค่ะช่วยด้วยช่วยบุตรชายของข้าด้วยทุกคนแหงหน้าขึ้นมองบนท้องฟ้านกยักษ์ตัวนั้นยังคงบินวนเวียนไปมากรงเล็บของมันจิกร่างทารกน้อยที่กำลังแผดเสยียงร้องเพราะความตกใจไว้อย่างน่าหวาดเสียวเราจะยิงธนูฆ่านกยักษ์ตัวนั้น เจ้าชายฮูบีตรัสแล้วเนื้อคันธนูขึ้นแต่ถูกเจ้าชายฮีบียึดสอนไว้อย่าทาเช่นนั้นท่านพี่เจ้าชายฮีบีทรงห้ามพระเชษฐาสอนของท่านพี่อาจพลาดไปปิดชีพ ท, ทารกน้อยหรือหากยิงถูกนกยักษ์ทารกผู้นั้นก็อาจตกลงมาจากที่สูงถึงแก่ชีวิตได้อย่ามัวมาพูดมากนะฮีบีเจ้ามันคนขี้ขลาด ถ้าเจ้าไม่กล้าสู้กับเจ้านกนั่นก็ถอยออกไปเลยเจ้าชายฮูบีตรัสอย่างดูแคลนจงฟังน้องของท่านบ้างเถิดเจ้าชายฮูบีผู้คิดว่าตอนเองกล้าหาญอยู่เสมอนกยักษ์กล่าวขึ้นมาบ้างข้านั้นหาใช่นกธรรมดาไม่ การบาดเจ็บและล้มตายของข้าจากสร้างความพินาศย่อยยับที่เกิดขึ้นในแผ่นดินของท่านหากสอนของท่านสร้างบาดแผลให้กับข้าหนึ่งหยดโลหิตของข้าจะ ก, กลายเป็นหาฝนกรดหลังรดแผ่นดินของท่านหากร่างทั้งร่างของข้าแตกดับและร่วงลงสู่เบื้องล่างก็จะเกิดเป็นไฟบรรลัยกันขึ้น ฟังอย่างนี้แล้วท่านยังจะสังหารข้าอีกหรือไม่เจ้าชายฮูบีผู้กล้าหาญนกยักษ์กล่าวแล้วหัวเราะ อ, อย่างเย้ยหยันอย่างนั้นเราจงมาตกลงกันดีๆเถิดนกยักษ์มีสิ่งใดบ้างเล่าที่จักแลกกับชีวิตของทารกน้อยคนนั้นได้เจ้าชายฮีบีตรัสถามสำหรับข้าแล้วเห็นจะไม่มีสิ่งใดมาเทียบกับเลือดเนื้อของทารกผู้นี้ได้ นี่คืออาหารอันโอชะที่ข้าได้เลือกหามาเป็นอย่างดีแล้วหรือไม่ก็ยังพอมีสิ่งหนึ่งที่ข้าอาจรับไว้แทนชีวิตของทารกผู้นี้สิ่งนั้นคืออะไรจงบอกเราเราจะหาให้ท่านในทันทีกษัตริย์โฮบีตัดถามขึ้นเลือดเนื้อเชื้อไขของกษัตริย์ที่มีน้ำหนักเท่ากับทารกผู้นี้ นกยักษ์ตอบในทันทีว่าอย่างไรนะเลือดเนื้อเชื้อไข ข, ของกษัตริย์หรือนี่เจ้าหมายถึงการแลกชีวิตของทารกคนนั้นกับโอรสของข้ายอย่างนั้นหรือกษัตริย์โฮบีทรงร้องถามด้วยความตกพระทยัยใช่แล้วนกยักษ์ตอบยำ้ำแม่ของทารกน้อยนั้นเมื่อเห็นลูกของตนถูกกงเล็บหยาบใหญ่จิกร่างไว้แน่น และตัวเด็กเองก็แผดเสียงร้องไห้ไม่ยอมหยุดก็ได้แต่ร้องไห้จนสิ้นเรี่ยวแรงยืนทรงกายต่อไปไม่ไหวแต่ก็ยังสู้อุตส่าห์อดทนคลานมาหยุดแทบเท้าเจ้าชายฮูบีเพื่อขอให้พระองค์ช่วยเหลือได้โปรดเถิดเพคะเจ้าชายฮูบีได้โปรดช่วยบุตรชายคนเดียวของหม่อมชันพระองค์คือเจ้าชายผู้กล้าหาญและตัวหม่อมชัน ก็บูชาในความกล้าหาญของพระองค์เสมอมาได้โปรดใช้ความกล้าหาญของพระองค์สละเลือดเนื้อของพระองค์แต่เพียงนิดเพื่อช่วยบุตรชายของหม่อมฉันด้วยแต่เจ้าชายฮูบีกลับตัดตอบอย่างพิโรธว่าบางอาจนะเจ้าเป็นแม่ย่อมรักลูกนั่นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความเตรียมตัวในเจ้านั้นหามไหม่มีอย่างที่ไหน จักมาขอให้เราซึ่งเป็นถึงโอรสองโตของกษัตริย์เสียสละเลือดเนื้อเพื่อช่วยลูกของเจ้าซึ่งเป็นเพียงชนชั้นไพรเมื่อลูกของเจ้าเป็นไพรก็สมควรต้องเสียสละชีวิตเพื่อองราชายอยู่แล้วดังนั้นจงยอมให้นกยักษ์จับลูกเจ้าไปเสียตะโดยดีเถิดแล้วเราจะมอบถุงทองใบใหญ่เพื่อชดเชยกับการเสียสละชีวิตของลูกชายเจ้า แม่ของเด็กเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ร้องไห้เราปิ่มว่าจใจจะขาดด้วยรู้สึกหมดความหวังในการได้บุตรชายคืนมาสู่อ้อมกอดแล้วเป็นแน่แต่จู่ๆเจ้าชายฮีบีก็ทรงมีรักสั่งแก่ทหารว่าไปนำตาช่างมาให้เราเราจะแลกเลือดเนื้อของเรากับทาโรคผู้นั้น สิ้นรับสั่งจากเจ้าชายเสียงฮือฮาของผู้คนในบริเวณนั้นก็ดังกระหน่งขึ้นไม่มีใครคาดคิดว่าเจ้าชายฮีบีผู้รักสงบจนเสมือนคนขี้ขลาดจะกล้าทำเช่นนั้นแน่ใจหรือนกยักษ์ถามอย่างเล่นลิ้นเรานั้นเป็นเจ้าเหนือหัวของราษดรเป็นเสมือนพ่อของประชาชน เมื่อลูกเดือดร้อนหญยพ่อจะนิ่งเฉย อ, อยู่ได้ข้ารู้ถึงจิตใจของนางผู้เป็นแม่ถ้าเจ้าขอชีวิตนางเพื่อแลกกับบุตรชายนางก็จะไม่มีท่าทางอิดออดเลยหากผู้เป็นพ่อมีหน้าที่ต้องคุ้มครองลูกแล้วไสเมื่อเราเป็นพ่อของปวงชนก็สมควรแล้วที่เราจะรักษาชีวิตบุตรในปกครองของเราเอาไว้ เจ้าชายฮีบีตรัสอย่างหนักแน่นจนบารดาของทารกผู้นั้นเกิดความศรัทธายอย่างเหลือลน้นก้มลงกราบแทบเท้าเจ้าชายฮีบีซึ่งพระองค์ก็ทรงรับไว้ด้วยรอยยิ้มที่แสนอ่อนโยนเมื่อทหารนำตาช่างมาให้นกยักษ์ก็หย่อนทารกที่ยังคงร้องไห้จ้าไว้ในตาช่างข้างหนึ่งขณะที่เจ้าชายฮีบีเองก็ยกมีดขึ้นเฉือนเนื้อของพระองค์ก้อนหนึ่ง ซึ่งสมคำนวณแล้วว่าน่าจะเท่ากับน้ำหนักของทารรผูน้นี้วางลงไปบนตาช่างอีกครั้งหนึ่งด้วยแต่ปรากฏว่าตาช่างไม่ขยับเขยื้อนเลยสักนิดเจ้าชายฮีบีจึงกัดฟันตัดแขนข้างซ้ายของพระองค์วางไปบนตาช่างด้วยแต่ตาช่างก็ยังไม่ขยับแต่อย่างใด เจ้าชายจึงทรงส่งมีดให้เจ้าชายฮูบีซึ่งกำลังยืนแน่นนิ่งตกตะลึงในการกระทําของพระอนุชายอยู่ช่วยตัดแขนขวาของน้องหย่อนลงไปในตาช่างทีเจ้าชายฮีบีตัดขอแต่เมื่อทําเช่นนั้นแล้วตาช่างก็ยังไม่เคยเื่อนจะทําอย่างไรต่อไปเล่าเจ้าชายฮีบีเนื้อที่ทันให้ดูอย่างไรก็ไม่น่าจะพอนะนกยักษ์หยอกเยา้า เจ้าชายฮีบีทรงเจ็บปวดร่างกายอย่างแสนสาหัสแต่พระองค์ยังตั้งมั่นที่จะช่วยเหลือทารกน้อยให้ได้ในที่สุดจึงทรงตัดสินพระไทยก้าวขึ้นไปนั่งบนตาช่างทั้งพระองค์ตาช่างทั้งสองด้านจึงเท่ากันในที่สุดกระสัดโฮบีเห็นดังนั้นถึงกับทรงหมดเรี่ยวแรงเมื่อคิดว่าพระองค์จะต้องสละชีวิตพระโอรสองค์เล็กให้กับนกยักษ์ไปจนสิน้น ฝ่ายนกยักษ์เมื่อเห็นสิ่งที่เจ้าชายฮีบีทําก็ถึงกับหัวเราะร่าพร้อมกับฉับพลันนั้นเองร่างของนกยักษ์ก็กลับกลายเป็นสีเทวรักษ์ผู้คุ้มครองเมืองฮาบีบีมาช้านานเห็นชอบเห็นชอบเห็นชอบสีเทวรักษ์กล่าวขึ้นพร้อมกันเราได้ทดสอบแล้วฮีบีคือผู้ที่เหมาะที่จะเป็นกษัตริย์แห่งเมืองฮาบีบีต่อไป เราะีบีมองเห็นคุณค่าในชีวิตของประชาชนแม้จะเป็นเพียงหนึ่งชีวิตน้อยๆก็ตามเห็นหรือไม่เล่าฮูบีน้องชายเจ้าหาได้ขี้ขลาดอย่างที่เจ้าคิดไม่เขากล้าที่จะปกป้องชีวิตของประชาชนด้วยชีวิตของตนเองในขณะที่เจ้าไม่กล้าทําเห็นทีว่าเจ้าคงต้องเรียนรู้คุณธรรมของพระราชาจากน้องชายของเจ้าซะแล้วฮ่าฮกาวจบ เทวรักทั้งสี่ก็หายวับไปพร้อมกับร่างกายที่เคยโดนตัดขาดของเจ้าชายฮีบีก็กลับมาประสานกันอย่างเดิมโดยไร้ความเจ็บปวดหรือร่องรอยบาดแผลใดๆเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เจ้าชายฮีบีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ฮีบีแห่งเมืองฮาบีบีด้วยความเห็นชอบจากทุกฝ่ายไม่เว้นแม้แต่เจ้าชายฮูบี และแล้วกษัตริย์ฮีบีผู้ทรงรักความสงบแต่ทว่ามีความกล้าหาญในจิตใจผู้นี้ก็สามารถปกครองบ้านเมืองจนกลายเป็นกษัตริย์ที่ประชาชนรักมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมือง h าบีบีเลยทีเดียวเธอทั้งหลายการเป็นผู้นำนั้นอาศัยแต่อำนาจความยิ่งใหญ่เพียงอย่างเดียวไม่อาจทำให้เธอเป็นผู้นาที่ครองใจใครได้อย่างถาวรได เธอจะต้องมีคุณธรรมอื่นประกอบด้วยเช่นความอ่อนโยนความถ่อมตนความกล้าหาญและความยุติธรรมแล้วคนในปกครองจะให้การสนับสนุนเธอเต็มแรงกายแรงใจของเขางานของเธอก็จะสำเร็จลุล่วงอย่างมีคุณภาพนอกจากนั้นเธอก็จะเป็นผู้นาซึ่งเป็นที่ต้องการของใครต่อใครอยู่เสมอ มีช่บุคคลที่พรั่งพร้อมไปด้วยอำนาจหน้าเกรงขามแต่ผู้คนต่างพากันเบือนหน้าหนีและสาบแช่งเมื่อรับหลังบางครั้งเธออาจเห็นว่าคนบางคนช่างดูเหมือนไม่มีความสามารถอะไรในตัวเองเลยเธอจึงไม่เคยเคารพเขาแต่คนอ่อนน้อมบางคนเขาไม่นิยมแสดงความสามารถของตนเพื่อโอ้อวดใครๆหรอกเขาจะนิ่งเงียบ ไม่แสดงอาการและคอยมองสิ่งรอบๆตัวอย่างใช้ปัญญาอยู่เสมอแต่เมื่อเธอมีความเดือดร้อนอันใดเขาอาจจะเป็นคนที่หยิบยื่นความช่วยเหลือให้เธอได้ดีกว่าใครๆก็ได้ฉะนั้นจงอย่าดูถูกผู้อื่นด้วยการพิจารณาอย่างฉาบฉวยแล้วคิดว่าเขาไม่มีดีอะไรแต่จงมองให้ทะลุไปถึงข้างในจิตใจมองถึงเหตุผลของเขาแล้วเธอจะเข้าใจว่า ใครคือคนที่เธอควรให้ความเคารพนับถือมากที่สุด